ว่า 8 นาวาภิโรหณะสิกขาบทว่าด้วยการโดยสารเรือลำเดียวกันเรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณ พวกชาวบ้านพากันตําหนิประณามโพนทนาว่าพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรเหล่านี้ชักชวนภิกษุณีทั้งหลาย โดยสารเรือลำเดียวกันแล้วครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงนําเรื่องนี้ไปกราบ จริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระ ก็ภิกษุใดชักชวนภิกษุณีโดยสานเรือลําเดียวกันไปทวนน้ําก็ตามไปตามจบเรื่องภิกษุและ จะเดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวทีระหว่างทางมีแม่น้ํา หรือพวกเราจะข้ามไปก่อนพวกเราจะข้ามไปก่อนภิกษุณีทั้งหลายตอบว่าพระคุณเจ้า ภิกษุนี้เหล่านั้นจึงบอกเรื่องนั้นแก่ เราอนุญาตให้ชักชวนภิกษุณีโดย 3 เรือลำเดียวกันได้แล้วจึงรับสั่งให้ สิกขาบทวิภังคำว่า คำว่ากับคือรวมกันโดยความเป็นอันเดียวกันว่ากับคือรวมกันโดยความเป็นอันเดียวกัน เมื่อภิกษุณีโดยศาลภิกษุโดยศาลต้องอาบัติปาจิตตีย์เมื่อภิกษุโดยศาลคือแล่นทวนกระแสน้ำคำว่าไปตามน้ำคือแล่นคือยก หมู่บ้าน 1 กําหนดชั่วไก่บินตกต้องอาบัติปาจิตติทุกทุกละแวบหมู่บ้านในหม เว้นเว้แต่ข้ามฝากชักชวนกันแล้วภิกษุไม่แน่ใจโดยสานเรือลํา ติฏฐะทุกกฏภิกษุชักชวนภิกษุนี้ไม่ได้ชักชวนต้องอาบัติทุกกฏไม่ คือ 1 ภิกษุและ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุไม่ได้ 4 ภิกษุและภิกษุณี 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ นาว่าพิโรหณสิกขาบทที่ 8 จบ 3 โอวาทวรรค 9 ปริปาจิตตสิกขาบทว่าด้วยการฉันฏฐทหารที่ภิกษุนี้ ภิกษุณีชื่อทุลนันธาเป็นผู้ใกล้ชิดนั้นนิมนต์ภิกษุผู้เป็นเถระหลายรูปไว้ครั้งนั้นในเวลาแล้วได้กล่าวกับคหบดีนั้นดังนี้ว่าคหบดี ทำไมท่านจึงเตรียมของเคียวของฉันไว้มาก พระพระคุณเจ้ามหาจุนทะเจ้ามหากัปปินะพระคุณเจ้ามหาจุนทะพระคุณเจ้าอนุรุทธะพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าโกกาลิกะพระคุณเจ้ากตมรกะติสกะพระคุณเจ้าขันธเทวีบุตรพระคุณเจ้าสมุทททัสในขณะที่ภิกษุณีชื่อทุลนันทากล่าวค้างอยู่นี้พอดีกับ ท่านกล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นพระผู้น้อยแต่เดี๋ยวนี้กล่าวว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่จึงขับนางออกจาก จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆคบุรุษ เรื่องภิกษุณีจบเรื่องภิกษุรูป 1 สมัยนั้นภิกษุรูป 1 บวชจากกรุงราชคฤห์ ทีนั้นภิกษุนั้นมีความยำเกรง ทรงอนุญาตให้ฉันบิณฑบาตที่คฤหุตตปรารภไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอยู่ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุนี้ พระอนุบัญญัติอนึ่งภิกษุใดรู้อยู่ฉันบินทบาตที่ภิกษุนี้ 1 จบสิกขาบทวิพังคําว่าอนึ่งใดคือผู้ใดผู้ใดนี้ ภิกษุมีอธิบาย คือเขาไม่ประสงค์จะถวายหรือไม่ประสงค์จะกระทําใดๆภิกษุณีกล่าว ที่ชื่อว่าบินทบาตได้แก่โภชนะ 5 อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคําว่าเว้นไว้แต่ภัตตาหารที่ครุหทปรารภไว้ก่อนคือยกเว้นที่ครุหทริเริ่มไว้ ภิกษุรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุฉันต้องอาบัติสําคัญว่าภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมฉันต้องอาบัติ วินทบาที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมภิกษุไม่แน่ใจฉันต้องอาบัติทุกกฎ เว้นไว้แต่ภัตตาหารที่ครุหทัศน์ปรารภไว้ก่อนบิณฑบาตที่ ไม่ต้องอาบัติอนาปัตติวาระภิกษุต่อไป ภิกษุผู้คนจริต 6 ภิกษุต้น 9 จบ 3 โอวาทวรรค 10 รโหนิสัจจะ ว่าเรื่องพระอุทายีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐี ท่านพระอุทยีก็ไปสํานักของภิกษุณีนั้นเป็นประจําสมัยนั้นท่านพระอุทยีนั่งในที่รับๆแล้ว จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ พระผู้มี 2 ต่อ 2 เหล่าโมคบุรุษการกระทําอย่างนี้มิได้ทําคน ก้อ 2 ต่อ 2 ต้องอาบัติปาจิตตีเรื่องพระอุทายีจบสิกขาบท นิธิพระผู้มีพระภาคทรง 2 ฝ่ายคําว่ากับคือ 2 ต่อ 2 ได้แก่ภิกษุกับภิกษุณีที่ชื่อตาที่หู ที่ชื่อว่าที่ลับตามปกติคําว่านั่งหมายความว่าเมื่อ เมื่อภิกษุนั่งภิกษุณีนั่งใกล้หรือนอนใกล้ภิกษุต้องอาบัติ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ที่รับภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ที่ อนาปฏิวาระภิกษุคือ 1 ภิกษุ อน. 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุต้น 10 จบ โอวาทวรรคที่ 3 จบ ว่าด้วยการ 4 อามิสสิกขาบทว่าด้วยการ 5 จีวรทานสิกขาบทว่า 6 จีวรสิพนสิกขาบทว่า 7 สังวิธานสิกขาบท ว่าด้วยการชักชวนเดินทางร่วมกัน 8 นาวาภิโรหณะสิกขาบทว่าด้วยการ 4 โภชนวัคหมวด 1 อาวสถปินทสิกขาบทว่าด้วยการฉันภัตตาหารใน มีสมาคมหนึ่งจัดตั้งพตทหารไว้ณที่ภคแรมในเวลาเช้าๆพระคุณเจ้า ละถึง 3 พวกภิกษุชัพพคีครองอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทนี้ว่าพวก พวกเถระฐีจึงพากันจากไปพวกชาวบ้านพากันตําหนิประณามโพธนาว่าฉะไหนพระสมณะชื่อสายสักยะบุตรจึงอยู่ฉันภัตตาหารในที่พักแรมเป็นประจำเล่าภัตตาหารในที่พักแรมเขาไม่ได้จัดไว้เพื่อท่านเหล่านี้เท่านั้นแต่ภัตตาหารในที่พักแรมเขาจัดไว้เพื่อสาธารณชนต่างหาก บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประณามโพนทนาว่าไฉนๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ ลําดับนั้นพระผู้มี ฉะนั้นพวกเธอจึงอยู่ชั้นพตทหารในที่พักแรมเป็นประจำเล่าโมคบุรุษทั้งหลาย ถ้าฉันเกินกว่านั้นต้องอาบัติจบเรื่องพระสารีบุตรสมัยนั้นท่านพระ นานๆพระคุณเจ้าจึงมาครั้นพระสารีบุตร จึงไม่รับยอมอดอาหารครั้นท่านพระสารีบุตรเดินทางถึงกรุงสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเป็นจบ สิกขาบทวิภังที่ชื่อว่าภิกษุไม่เป็นไข้ อย่างเพียงพอมิได้เจาะจงผู้ใดภิกษุไม่เป็นไคลย์พึงฉันได้มื้อเดียว ไม่เป็นไข้ภิกษุไม่แน่ใจฉันปฏาหานในที่พักแรมเกินกว่านั้นต้อง ฉันภัตตาหารในที่พักแรมเกินกว่านั้นต้องอาบัติทุกกฎเป็นไข้ภิกษุ 4 ภิกษุที่เจ้าของทานนิมนต์ให้ฉัน 5 ภิกษุฉัน 5 8 ภิกษุวิคคนจริต 9 ภิกษุต้นบัญญัติอาวาสถะ